อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2537 เป็นการบรรยายภาคที่ธรรมเบื้องต้น อ่าไปก็เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าจฌานที่ 1 แล้วก็ฌานที่ 3 กับฌานที่ 4 สําหรับฌานที่ 3 หรือตติยฌานนั้นก็มีความในพุทธพจน์ ว่าจักรชานี้ 3 มีสภาพเป็นอย่างไรทั้งโดยส่วนองค์ประกอบที่สําคัญของฌาน หรือปรากฏในทางสภาวะของฌานตัวฌานจิตเป็นสําคัญเรียกว่าเป็นผล 3 โดยได้ มีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติทิ้นไปบรรลุตติยฌานมีที่ที่ ก็ขอได้เข้าใจว่าถ้าเรื่องฌานแม้ว่าจะเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาด้วยแต่เป็นเรื่องในพุทธศาสนาด้วยเมื่อได้ทรงตรัสถึงฌานที่รายจะทรง ความจริงฌานจะในพุทธโดยนอกพุทธน่ะโดยสภาพตัวฌานและผลได้ในตัวฌานเองเสมอ ก่อนเข้านั้นผู้ที่เข้าฌานในพุทธศาสนานั้นก็จะเข้าโดยผัสสุข ดูมองด้วยความเข้าใจอย่างที่ผู้ที่เรียนวิปัสสนาภูมิเข้าใจแล้วอย่างไรก็ออกจากฌานนั้นด้วยย้อนกลับมาพิจารณาด้วยหลักการนั้นนี่ ด้วยอาการติดด้วยวิถีก็ดีด้วยตัณหาก็ดีหรือด้วยมานะก็ดีติดน่ะหมายถึงขณะเข้าฌานมัน ที่อย่าจะต่างกันสันจินตรัสในที่นี้ว่าภิกษุหมายยิ่งภิกษุใน <c oughs> อุเบกขาฉบับดูประกอบไปจากคราวที่ นุกุเบกขา 10 นั้นอุเบกขาที่เป็นของฌานที่ 3 คืออุเบกขาที่ 9 อุเบกขาที่ 9 ครับข้อ 9 ดูที่แล้วนะครับที่แจกไปแล้วจุดเดียวกันหน้าหลังคือที่ชื่อว่า ไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะฮะไม่ใช่อุเบกขาเวทนาเป็นตัตตะมัชชตตาคือความวางเฉยถามว่าวางเฉยใน นั้นเที่ยเฉยตัวนี้คือมีความ อ่าที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านก็บอกว่าความจริงนั้นตตรามัจจตตานึก กุศลจิตของเรานั้นมีโสภณเจตสิกประกอบอย่างขณะฟังธรรมเนี่ยประกอบตั้งมาก 19 ดวงมีศรัทธาวิริยะมีศรัทธาเป็นต้นแล้ว 1 บางตัว นั้นเวลาที่กล่าวสรรเสริญบุคคลเช่นว่าบุคคลนี้เป็นผู้ศรัทธาฟังธรรมแล้วก็เร 27 ดวงตามแต 27 แต่ เวลาอกุศลจิตเกิดเนี่ยมันก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เด่นออกมาต่างๆกันทีนี้ไอ้ไอ้เด่นของอกุศลจิตมันก็เด่นไปตามอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะ กระทำอโลภะแต่ความจริงเราไม่ได้มาคิดอย่างอันเนี้ยเราจะคิดว่าจะมุ่งไปสวรรค์หรืออะไรเป็นผลในลักษณะผล แล้วก็อาจจะถือเอาเป็นความดีตามหลังแล้วๆแล้วอาจจะมีความตั้งใจเพื่อแก้ปัญหา ยกลำดับของเพิ่มกําลังของของไอ้ตัวเจเนติกดีๆนี่ทีนี้ถ้าเป็นกรณีคนเข้าฌานเนี่ยครับ วิจารณ์ปิติสุขเอกกตาเป็นตัวหลักที่ยกขึ้นมาเป็นผลสําคัญทีแล้วไอ้ตัวหลักเหล่าเนี้ยมันก็เป็นตัวนั้นตัวนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ ทำไมถึงมีถามว่าแสวงหาปัญญาเลือกเน้นหรือแสวงหาอะไรทําฌานเขาแสวง เนี่ยอันนี้จะผิดกับวิปัสสนาวิปัสสนานั้นแสวงหาอะไรแสวงหาปัญญาจุดที่แตกต่างกันแล้วก็ความสุขในฌานก็คือแสวงหาความสุขที่ เป็นของฌานที่ 3 เราพูดย้ำตรงนี้ดีนะเป็นของ ก็ไปด้วยกันแล้วก็เราก็รู้ว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะ อำให้ขาดสติสัมมชัญญะไม่ได้อบรมสติไม่ได้อบรมสัมมชัญญะไม่ได้เป็นการเจริญสติปัฏฐาน อ่าได้แต่ว่าอันหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าสติและสัมปชัญญะที่ประกอบอยู่ในกุศลจิตแต่ละดวง ฌานไม่มีพลังในการกั้นอกุศลธรรมไม่ให้เกิดยังเข้มที่ฟังธรรมในขณะที่ให้ทานในขณะที่รักษา ในฐานะข้าฌานนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวสําคัญแล้วก็เอ่อคนที่เอาเอาฌานไปเป็นบาตรวิปัสสนามันก็กั้นกั้นอกุศลที่เอ่อฌาน ตนสติในที่นี้จึงเข้มแข็งมากแล้วก็ในทุกฌานมีสติสัมปชัญญะ จะเจตละอุปจาระของฌานที่ 1 ก็คือคนที่เตรียมเอ่อบริกรรมก่อนที่จะเกิดฌานที่ 1, 1>, 1> อันนี้เรียกว่าเป็นอุปจาระได้ฌาน หยาบและไม่มีกําลังกล้าแล้วก็ว่าสติสัมปชัญญะในฌาน 3 นั้นสุขุมสุขุมแปลว่าละเอียดเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเพราะละองค์หยาบๆละองค์หยาบ เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะนี้จึงเรียกว่าประคองจิตประคองเนี่ยเอาไว้ได้ดีเนี่ยตัว 3 เนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นเป็นคุณสมบัติที่พระอริยะต้องการปริยานิยมนับถือนะจริงๆมีการทันเสิร์นไว้ที่หลัง โลกประจาระเนี่ยนะมันเหมือนกับคนที่เดินไปบน หรือปูไว้ด้วยของแหลมคมอย่างที่เราเห็นเค้าเล่นกิจกรรมกันนะฮะการที่คนจะเดินไปบนนี้ ที่มีการระมัดระวังตัวอย่างดีเรามองด้วยสายตาเนี่ยเค้าทําท่าเหมือนเป็นภาระ เราเห็นว่าเขาหนักมากก็อาจจะ แล้วก็อยู่ๆจิตนั้นเลื่อนลงไปสู่สมาธิโดยไม่ได้ตั้ง ข้อควบเรียกว่าสติเปลี่ยนสตินั้นสติมีๆไปตามลักษณะของอารมณ์ใน อ่าบูรพาจารย์ท่านแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยแล้วท่านใส่เข้าไปๆไม่มีคำนามอาการสําหรับในทีนี้นะแต่ที่ใส่ ด้วยนามกายหรือเพราะรูปอันประณีตยิ่งอันตั้งขึ้นนะเอา คือนามะกายด้วยเถวสุขอยู่ได้นามะกายด้วยแล้วก็รูปด้วยรูปะกายด้วยเขาบอกว่าเมื่ออ่าบุคคลเข้าถึงสภาวะของฌานที่ 3 นั้นใจเป็นสุข ย่อมก่อให้เกิดกายิกสุขว่าอ่ามันมันถึงกันน่ะเรานึกถึงหลักง่ายๆว่าเนี่ย คนเข้าฌานนั้นเราจะเห็นว่าในเบื้องต้น จิตจิตไม่ไปไหนเลยอย่ามาพูดไหนหรอกครับจิตไม่ไปไหนเลยอย่ามาพูดแล้วมองดูอาการกายเนี่ยดู ใจเจริญในธรรมก็มามีผลต่อร่างกายของบุคคลนั้นและแม้ออกจากกรรมฐานแล้วอย่างที่ท่านว่าก็ โดยอำนาจของอุเบกขาของปฏิสัมภยยะดีกว่าแล้วมีคําว่าเพราะปีติสิ้นไปอันนี้ต้องการจะบอกว่ารู้เนื้อรู้ตัวสําหรับคนที่ทําฌานท่านบอกว่าที่บอกว่าสิ้นไปนั้นแน่นอน ตัวปีติเนี่ยเป็นปีติในธรรมไม่ได้เป็นกิเลสแต่ใน พวกกระทัพอันหยาบก็เป็นอันถูกลังเกียดแล้วก็ถูก คลายไปด้วยความลังเกียจถ้าถามว่าทําไมถึงจึงลังเกียจแล้วก็ แล้วก็จะถูกรักชอบไว้ด้วยกันแต่ว่าในแล้วท่านเห็นว่าปีติเป็นของหยาบสุขเป็นของละเอียดท่าน ท่านท่านจะบอกว่าผู้เป็นโยภาวจรเมื่อภาคปิติไป ผลผลด้วยธรรมประการใดก็ตามก็จะต้องรักษาไว้ด้วยเครื่องโยคะอ่าในโคบาลอาจจะมีเครื่อง สุขนั้นเอาไว้ไม่ให้กลับไปหาปีติเอาไว้ไม่ให้กลับไปหาปีติ 3 นั้นคือปีติ 5 อย่างประกอบปีติที่ว่าสิ้นไป คำว่าพลนพลนาเนี่ยไม่ใช่พลนาไม่ใช่ปนนาปนนานั้นแปลว่าแผ่ปกแผ่ในที่นี้เราแปลให้มันสอด จึงเรียกว่าปารณาปิติก็มาเกิดแล้วก็เอ่อมอาบ คือพลนนาปิติเราเทียบกับปีติอื่นๆอีก 4 อย่างข้างต้นนะฮะดูประกอบไปว่ากุตตกากุตตกาปิติแปลว่าปิติเล็กน้อยเพราะคําเป็นอย่างอย่างที่เรามีปิติเนี่ยก็โดยมาก เรียกว่าปิติภูณีที่ยกตัวอย่างคนลุกเนี่ยหมายว่าอาจจะมีอาการอย่างอื่นเช่นมีอาการอ่าเรียกว่าทําให้อวัยวะภายในของบุคคลผู้เกิด คำว่าชั่วขณะในที่นี้มันมีความหมายคือมันปรากฏเป็นเป็นหน่วยของปิติที่วูบขึ้นมาเป็นขณะปิติกระจุกกระจุก เขียนทําให้รูปหนึ่งแล้วก็ค่อยๆคลายอย่างที่ท่านเปรียบเหมือนกับฟาแล็บฟาแล็บเนี่ยคือพอแลบขึ้นมา ปฏิกาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันวูบวาบขึ้นมาแต่ว่าไม่เป็น จริงๆคําว่าโอกันติกาเนี่ยมันแปลว่าหยั่งลงตามนะแปลว่าหยั่งสัตว์ฝั่งสมุทรแล้วแตกไปนะ คือมันเกิดขึ้นมีอาการเหมือนอย่างที่เอ่อดีกว่าองค์ิกา ดูแล้วก็หายไปขึ้นขึ้นมาแล้วก็ซัดเข้าไปประทาฟังแล้วก็ 2 วิธีวิธีหนึ่งคือเย็นๆเหมือนพระนาที่ อย่างเนี้ยเป็นลาดแล้วก็หายไปกันติตานะขันธ์ 1 อยลาดแล้วก็เหมือนกับไปนั่งตากลมก็ดีหรือไป เช่นลมพัดตอนลมตั้งขึ้นพัดมาหาร่างกายเราก็นั่งถ้านั่งในห้องแอร์มันก็ชุ่ม เวลาละนั่งตาขนมเนี่ยมันมีมีวงรอบของมันที่แน่นอนแต่วิธีก็แปลโดยความ ลอยขึ้นความลอยขึ้นซึ่งอุปเพงอุปาังคะจึงหมายแห่งอมอวัยวะจึงถึงเรียกว่าโลฏผลคือ ที่ท่านขายว่าเป็นปิติอย่างแรงถึงขนาดทําให้กายลอยขึ้นโลดไปในอากาศได้ฉะนั้นอุปเพงกาปิตินะหมายถึงความโลด และขณะที่เดินทางไปยังไม่ถึงนั้นก็ได้เจริญ พระเจดีย์นั้นอย่างรวดเร็วและมีลักษณะเหมือนกับคน เอาลงไปไม่ได้ขอให้ลงอยู่บ้านแล้วกันบ้านก็ไม่ไกลจากมหาเจดีย์นักพ่อแม่ก็ไปลูกก็ยืนส่งพ่อแม่อยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านที่หันหน้ามาทางพระมหาเจดีย์ก็ดูพ่อดูแม่เดินก้อยหลังไปตัวเอง เหมือนๆเดียวอย่างเราก็ตัวก็จินตนาการไปอยากไปก็ ลูกก็บอกว่าลอยมาในอากาศพ่อแม่ก็ห้ามบอกว่าคนจะเหาะในอากาศได้ต้องเป็นซึ่งอันนี้ เล่าให้ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะไม่อ่าสมณเณรองค์ <c oughs> อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีในยุคนี้เออไปได้ยังไงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของของอํานาจ 2 ฝั่ง หรือก่อนที่จะเอ่อถึงขั้นชานอุปจาระที่ทําให้เกิดอาการนะหรือเอ่อมีอาการประหลาดต่างๆประเภทเรียกว่าปีติและประหลาดๆมาก ยังหลายอย่างไม่ได้มากนักนะฮะว่าไปอาจจะอ่าเป็นเรื่องแค่อาการภายนอกเช่น หน้าตาเมืองบ้านคนลูกโฉชาอย่างนี้ อาจจะไปมีในคุณลักษณะบางอย่างที่คือมี นะเป็นเรื่องความไม่สมดุลอย่างน้ำเน่าคนตัวตลอหน้าแดงอันนั้นเรื่องแต่อันหนึ่งเฉพาะปีติเนี่ยเป็นของ 3 กระจุกตรงไหนก็ทําให้ตรงนั้น แต่หากว่าคนที่เกิดโทสะขึ้นมาแล้วหัวใจวูบวาบขึ้นมันมันเอ่อป่าไปทั่ว <c oughs> <c oughs> มีเคเทศดานอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยแต่ว่ามันกินเข้าไปในตัวคนนั้นว่าเอ่อถ้าที่ว่าแล้วใน กำหนดรู้ตรงไหนมันสุกหมดสิได้ไอ้เนี่ยมันอยู่ แผ่พลังไปด้วยประการที่อธิบายได้อย่างในทางพระขึ้นเกิดขึ้นเพราะได้รับเชื้อแถวออกมา จึงเป็นสุขมากทั้งกายและใจเป็นสุขๆไม่ใช่ว่าสุขแต่กายเอ่อสุข ปีติตรงนี้น่ะว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนักหนา เพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนที่จะเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าเอ่อในการปฏิบัติธรรมบอกนั่งๆไปแล้วมันคันตรง นะผมก็ก็ต้องบอกว่าคําว่าจะถามว่าปิติเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกก่อนจะ ไอ้บางคันเนี่ยมันก็ตั้งจะไม่อิ่มใจหรือปวดเมื่อยต่างๆนะนั้นถ้าเราจะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปีติอะไรเนี่ยดูใจก่อนว่าเกิดความอิ่มใจมั้ยถ้ามีความอิ่มใจแล้วความอิ่มใจนั้นได้เกาะให้ ใช่มั้ยหนาวก็ขนลุกปิติก็มันลุกได้ทั้งนั้นนั้นขนลุกที่เกิดจาก นาเป็นกุตตกาปิติก็คือเป็นตลอดเวลาหรือเล็กคือตั้งขึ้นเป็น อ่าอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆสักแล้วก็จะบอกหน้าตาของปีติสุขๆอธิบายเนี่ยบางคนก็ กาเกณฑ์ให้ต่อเป็นฐานกันเลยจะต้องต้องตั้งหลักอธิบายปืนฐานกันเยอะหน่อยว่าเออมันยังท่านว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ ก็ไอ้เกิดกิเลสบางจังหวะบางจุดก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้อย่างสูตร แล้วก็มีสภาพที่จะต้องอธิบายกันเป็นอีกอันหนึ่ง ในสมาธิเกิดขึ้นต่อสมาธิชั้นต้นๆพอมาถึงฌานนี้แล้วก็จริงเป็นของที่มาพร้อมกันนะคือบรรลุ ในทันทีพร้อมกันนั้นลำดับคําพูดนั้นเป็นเพราะในบรรดาความสุขที่เนี่ยเป็น <c oughs> ไม่มีสุขใดจะปลาเปิดเท่าก็เป็นสุขที่ได้มาด้วยการได้ <c oughs> จึงเป็นสิ่งดีอย่างนี้แล้วก็ชีวิตของพระอรหันต์ก็มีความนะพระอรหันต์นั้นเทียบสายโลกุตระสูงสุดไปอย่างนั้นท่านฌานที่มี <c oughs> <c oughs> นําท่านจึงกล่าวเปรียบเทียบเอ่อผลปรากฏว่านี่นี่จะเห็นว่าความเอิบอาบสาดส่านใช้คําว่าสาดส่านเหมือนกันนะแต่แล้วแต่สาดส่านเพราะสุขเพราะไอ้ปิตินี่เมื่อเทียบกับสุขแล้วปิติ หยับกระสุขนะเพราะปิตินั้นก็ให้เกิดความกระเพื้มไหวจะเผื่อมไหว ไม่ใช่เป็นของเบาแท้เป็นของเบาแท้ไม่ใช่เป็นความราบพื้นแท้จึงไม่ต้องการอันนี้ท่านก็อุปมาผมดอกบัวขาบบัวหลวงบัวขาวทั้งกอไม จมอยู่ในน้ําน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มแช่เอิบอาบชาบซึม นะมันฟังฟังดูแล้วขัดกันนะว่าในการพิจารณานั้นนี่ถ้าอย่างงั้นเนี่ยบัวใต้น้ํามันมีความสุขไม่ <laughs> ไม่สดชื่นนี่เค้าเรียกว่าเถียงเถียงเอาเอาที่นึงไปเถียงอีกที่นึงนั้นพวก <c oughs> ต้องเกิดที่แตกต่างกันอย่างนี้งั้นสุตตาจะพูดเห 4 เหล่าในขั้นบรรลุแล้วก็ ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมมนัสก่อนก่อนได้มีโอเบกขาเป็นเหตุอ่ะอ่านแค่นี้แล้วก็ อุเบกขาขอดูว่าตรงนี้ก่อนมีอุเบกขาอันเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่คําว่าอุเบกขาที่ปรากฏในจตยฌานนั้นตัวนี้น่ะท่านบอกว่าโดยความมุ่งหมายแล้วก็เอาตัตตะมจตตตามันเป็นอุเบกขาข้อสุดท้ายในอุเบกขา 10 ที่เรียกว่าปาริสุทธอุเบกขา ก็ฌานที่ 4 เนี่ยโดยองค์มันเหลืออุเบกขากับเอกัคคตานะอุเบกขาตัวนี้น่ะทําไมถึงไม่เป็นเวทนาตัวไหนล่ะในองค์ฌานอุเบกขาเอกตาน่ะอุเบกขาตัวนั้นคืออุเบกขาเวทนาไม่ผิดแต่บรรดา เบกะอีกอย่างก็พูดอย่างส่วนที่ควรจะพูดว่า 1 อุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาเป็นอุเบกขาที่นั่นแหละอุเบกขาเวทนาส่วนวิริยะ อวิริยะเจตสิกในขณะแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปบุคคลประกอบความเพียรที่เพียรเราพอพูดแล้วบางที ถ้าเที่ยนตึงเกินไปเป็นอัตตะกิรมถานุโยคถ้าหย่อนเกินไปเป็นกามสุขัลลิกานุโยคบาง คือตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปในแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันมั้ยฮะเป็นวิถีอเบกขาสําหรับท่าน 3 วัน 3 คืนไม่ 6 ชั่วโมงตึงเกิน เพราะฉะนั้นไอ้เกมมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ต้องว่า หมอท่านเหล่าคนนั้นนี่ๆมันทุกข์ทุกข์เรื่องเลยนะฮะแม้แต่การใช้ความแล้วอกุศลเกิดสําหรับบุคคลนั้นเช่นว่าทํามากเกิน วิริยะเป็นการเสียอีกแล้วมันเสียคือเสียความเพียรอัน นี่คือวิริยะเวคขาองค์ธรรมคือวิญญาณเจตสิกก็ แต่แบ่งเป็น 2 เพราะกิจคนละขั้นตอนวิปัสสนอุเบกขานั้น ก็ดูให้ออกว่านี่เป็นอะไรแน่ดูให้ออกว่านี่เป็นอะไรแน่เป็นงูหรือไม่ใช่งูงั้นการที่เราจะดูว่า นั้นต้องดูให้ดีว่าอะไรแน่เหมือนกับบ่มีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราหยุดจิตเนี่ยนี่อะไรแน่พยายามมอง ที่เรียกว่าสังขารรูปเพราะรู้ว่านามรูปคือนามรูปมีความเป็นไตรลักษณ์วิธีที่ไม่ถูกว่าอ๋อนี่มันทุกภูมิ แต่มีอาการหนีลึกๆหนีระดับหนึ่งกว่าถ้าเป็นงูก็จะจับหรือจะ ใจดีผู้เสือนะไกลๆอย่างนั้นต้องวางเฉยแต่ว่าเนี่ยมันเป็น ทวิปัสสณุเบกขาแล้วก็เป็นของวิปัสสนาอย่างอ่าอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น อย่าอย่ายกมาก็จะยึดไปมากไป ของฌานก่อนๆต้องยันกันก่อนเนี่ยได้อันนี้ข้อ 5 ตัตตะมัชชตุเปฆาแต่ตั้งแต่ข้อ 7 ไปจนถึง ที่เป็นตตระมัชชตุเบกขาเนี่ยคือเจตสิกดวงหนึ่งในเจตสิก 52 ดวงหรือที่ปรากฏอยู่ในโสภณเจตสิกเจติฝ่ายดีตตระมัชชตุเบกขาคือเบกขาที่ทําให้เจตสิกกระทําทั้งหลายที่เกิดร่วมกับตนเนี่ยเป็น อ่ารวมตัวกันไม่ติดเหมือนอย่างอกุศลเจติกอกุศลเจติกเนี่ยมันไม่มีความเป็นกลางที่จะไปทําอะไรได้เลยนะในทางเนี่ยมันก็ไม่ นะแต่ว่าถ้าคนมีจิตเป็นกุศลเนี่ยเจตสิกในนั้นมันจะมีความเป็นกลางคือเบกขาในโพชังองค์ธรรมคือตตระก็จะเห็น ท่านยกขึ้นมาตั้งวินิจฉัยว่ามันก็ตัตระตัวเดียวแล้วมันมันต่างกันตรงไหนล่ะอย่างนั้นเมื่อเรามีตัตระมาเจตสตา เมื่อใดทํากิจใดก็เป็นอ่ะนะแล้วเราถ้าเราไม่ได้พัฒนาอย่างปัญญาล่ะเนี่ยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าปัญญาเราขณะนี้เรามีสุตตาไม่ใช่ ที่เป็นเป็นสมถภาวนามยปัญญาเราไม่มีหรือเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะไปตีคลุม อย่างเช่นตตรามัจจตตาเจติกเนี่ยเราเราทุกคนเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนแล้วเกิดกุศลกิจแล้วก็คุณสมบัติที่เรามีเราเป็นขณะนั้นมันก็ยังบรรลุไม่เท่ากันนะตตระด้วยเนี่ยตตระเค้าทํากิจหมด เอาถึงจะไม่ได้กี่ข้อข้อ 5 โพธิฌานกุเอกาตอนนี้ท่านก็บอกว่าเพราะว่าตตระมัชฌัตตตาในขณะแห่งมรรคจิตจริงๆมันมี 2 ระดับนะโพธิฌานกุระดับมรรคอันหนึ่งแล้วก็ระดับ เป็นจริงจะมันมีกี่ขั้นแตกต่างกัน 3 โท่งในนั้นน่ะคืออย่างไรท่านก็บอกว่า ในในมรรคเนี่ยฮะจิตเจตสิกทั้งหลายที่อยู่นั้นมีความสมดุลอย่างยิ่งอ่ะฮะว่าเราก็พูดถ้าเราพูดแล้ว จะทําอะไรได้อย่างเรียกว่าถ้าเล่นเฮโลก็แพงทุกถูกทุกทีมันภาวะจิตสมดุลๆอย่างนั้นนะอย่าไปนึกว่าเป็นองค์โพชฌงค์นะนั่นอันนี้เทียบให้ฟังนะถ้าใครที่เคยเล่นการพนันแทงทีไรมันถูกไปหมดจริงเค้านะฮะภาษาพวก อันอย่าทำดีผมนะท่านต้องขอบคุณผมว่าเนี่ยตัวพวกบางพวกนักการบรรณานยังไม่เข้าใจกันเลยต้องยกเรื่องวงการบรรณาน แม้ทําอย่างอื่นๆเหมือนกันแม้จะเป็นเรื่องการเห็นอย่างใจมุ่งการจาความ แต่ว่าถ้าจิตไม่สมดุลแล้วไอ้ที่เคยกําหนดได้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคําว่าจิตสมดุล เรเราก็นึกพอถึงขั้นแล้วก็พลังโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยหลวงนึกอนิพพานได้ ไอ้บางอย่างเราไม่รู้พอถอยออกมาถึงก็เห็นโอ้จิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คํา แล้ววิธีการสร้างความสมดุลเนี่ยมันก็มีวิธีการหลายอย่างขั้นความคิดก็ เราคงจะเห็นคุณค่าของสิ่งนี้มากจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยจะตัดสินใจ งานการต่อคุณธรรมขั้นสูงธรรมเนี่ยมันยิ่งจะจําเป็น ในทุกๆกรณีของครูสรจิตนะโพชฌังคนั้นเป็นอีกอันหนึ่งทีนี้มาถึงว่า นิพพานไปตามปฏิปทาของมรรคแต่ถ้าเป็นพรหมวิหารนั้นปราลบสัตว์สัตว์หมาย แล้วเราก็พยายามวางอุเบกขากับไกลด้วย 4 วางเฉยในสัตว์เนี่ยถือว่าคน แช่นึกถึงใครก็วางเฉยและแล้วเลยท่านก็เฉยแล้วท่านก็เลยไม่ ต้องอะไรต้องมีอะไรแล้วการจะ ท่านถ้าไปถึงอุเบกขามันทําให้หลุดออกไปจากมันเรียกว่ามันไอ้คุณธรรมอันนี้มีต่ออ่าญาติพี่น้อง ต่างคนต่างไม่ติดกันแล้วก็เมื่อกําหนดนามกําหนดรูปแล้วมันก็ แต่ว่าโปรมีหาลุเปขาเนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นได้ปราลบสัตว์ องค์ 6 ซึ่งเป็นคําพูดถึงคุณธรรมที่กระทําต่ออารมณ์ 6 เลยอารมณ์ 6 ในๆกรณีนี่มันไม่ใช่กับบุคคลเป็นกลาง เป็นของพิเศษมากนิชานุเบกขาสุเบกขาในฌานตัวนี้ตัตตระมัจฉตาที่ทําหน้าที่วางเฉยคือไม่ตื่นจึง เป็นเป็นความสุขอย่างดีชตาที่เกิดร่วมกระสุกในฌานได้ แล้วก็มาว่าอุเบกขา 10 นี้ตามจริง 10 เนี่ยก็เอาข้อ 1 9 เอาข้อ 1 มาเป็นหลักซะแล้วเพราะว่าเราคุ้นกับเวลานึกถึงอุเบกขาก็มักจะเอาอุเบกขาเวทนาเนี่ยเข้าไปไปชักใบที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ดรณ์กับอุเบกขาเวทนาก็ได้เกิดร่วมกับโสมนัสสเวทนาก็ได้ว่าอุเบกขาตั้งแต่ข้อ 2 ถึงข้อ 6 เนี่ยเกิด อุเบกขาที่ 1 เนี่ยมันเป็นเวทนาอยู่แล้วอ่ะอุเบกขาเวทนาอยู่แล้วมันก็เกิดเฉพาะว่าอย่างคนที่ทําวิทยุเบิกขาเนี่ยบางเนี่ย ไม่เป็นทุกข์เพราะทุกข์นี่เกิดเฉพาะในในในอกุศลจิตฉะนั้นคนที่ทําเป็นวิริยะ 6 ชั่วโมงก็ตามถึงเด 3 เดือนเลือด 3 เดือนรวดก็ตาม วิญญูวตตนุเบิกขาเหมือนกันสังฆารุเปกขานี่ก็เป็นสมณัตก็มีอุเบกขาก็มีโดยเวทนานะแล้วก็ตัสสะระมัจฉตุเบิกขาก็เหมือนกันครับ 9 ข้อ 9 จะถ้าในฌานนะจากตัวเฉพาะอุเบกขาเวทนาพอจะ 4 นี่ครับ 4 นั้นเวทนาเป็นอุเบกขานะแต่ถ้าในชั้นการทําใจอย่างระดับบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็เป็นอุเบกขาจริงมั้ยล่ะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นพูดหน้ายิ้มๆ ในการชี้แจงกับคน 2 คนหรือกับคน 2 กลุ่ม ความเป็นโทมนัสถูกเพราะว่าท่านไม่ได้ยินดียินร้ายนั้นฉลังอย่างปุถุชนทั่วไปข้อ 9 ปุถิงก็ 9 ชานุเบกขาอันนี้เกิดกับโสมนัส 3 สาคะตะหรือสมณัสสะสาคะตะจิตอยู่ก็มีปิติมีสุข อุเบกขาทั้งหลายเนี่ยครับอุเบกขาแน่ๆนะบางตัวก็ประกอบกับอุเบกขาเวทนาแน่ๆอ่าอย่างข้อ 10 กับ 4 ที่ว่าอุเบกขามีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ขอได้โปรดเข้าใจว่า ฌานนั้นเป็นสติปัฏฐานที่เป็นฐานของวิปัสสนาสติปัฏฐานปฏิปัฏฐาน ถ้าถามว่าสติอะไรในสายโลกิยะจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือในฌานที่ 4 บริสุทธิ์ที่อธิบายว่าอย่างไรเพราะอะไรก็ขยายความว่าเพราะสติที่ปราศจากองค์ ที่เป็นคุณธรรมขั้นต่ําที่หมดไม่มีไอ้กิเลสไม่ต้องพูดถึงกิเลสเนี่ยมันมาแล้ว บริสุทธิ์ได้ด้วยอันนั้นโดยมีอุเบกขาเนี่ยเป็นตัว มาในฌานก่อนๆได้นะข้อนี้ท่านหมาย 1 มาที่บอกว่าเพราะละสุขละทุกข์ดับโทมนัสก่อนๆได้ความจริงน่ะไอ้ตรงนี้น่ะในคัมภีร์ท่านก็พูดอย่างลึก คนได้ฌานที่ 1 ก็ไม่มีสุขๆตรงนี้หมายถึงสุขกายนะหมายถึงสุขกายอย่างธรรมดาปกติอย่างเรานั่งเฉยๆเรามีความสุขกายแล้วทุกข์เนี่ยขณะเข้าฌานเนี่ย กายิกสุขไม่มีครับคนเฒ่าชราไม่มีความรู้สึกทางกายทั้งในทางดีทางไม่ดีทั้ง ทำไมถึงมาพูดถึงในที่นี้เอ่อท่านแจงไปละเอียดผมจะพูดแล้วก็นะ เงื่อนไขที่ผมว่าพูดแล้วก็จะยืดยาวเนี่ยก็ไม่พูดในทีเนี้ยพูดๆแล้วเนี่ยเป็นฌานที่ละสิ่งเหล่า 4 อย่างนี้ ของฌานที่ 4 ในส่วนของการละสิ่งที่ไม่จําปรารถนาอย่างคนที่จะเข้าฌานที่ 1 นึง บทที่ 7 จึงตรัสว่าผลปรากฏเนี่ยเธอนั่งเธอนั้นแต่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอัน แลท่านสาฮันบอกไม่ใช่สติเท่านั้นน่ะหมายถึงเจตสิกใน จึงมีปรากฏว่าบุคคลนี้เมื่อดูหน้าก็เป็นผู้ที่มี เท่ากับน้ํานะแต่นี้เอาในแง่ก็กลุ่มมิดหมดมองไม่เห็นหรือเป็นเป็นอุปมาเปรียบเทียบกิ้วเจ้าของเปรียบเทียบเอาไว้สําหรับฌานเรา <c oughs> จบกันแต่เท่านี้กันแต่เท่านี้ก็เราฟังเรื่องฌาน 4 แล้วจะ เลือกความหมายในทางความสุขก็ดีก็เป็นสิ่งควรแสวงหา นั้นคนที่ทําวิปัสสนาอย่างอาศัยฌานเนี่ยในกระแสฌานเนี่ยจริงค่อนข้างจะมีความเป็นส่วน แม้แต่ไอ้ความรู้สึกทางกายมันก็ พอคือฌานถูกจับใจที่ถือเป็นอารมณ์ก็คือตัวสติปะๆใครจะมาปิดจมูก ก็ไม่ต้องกลัวหรือจะไปอยู่ในถ้ํากลางอะไรก็ไม่ต้องกลัวไอ้เงื่อนไขมันน้อยถึงจะไปอยู่ในที่ดีนี่อากาศน้อยเรา ไม่ใช่ว่าเรามาเป็นลมแต่ว่าได้รับการคุ้มครองด้วยได้รับพลังอะไรต่อมีอะไรด้วยจึง ในเรื่องของฌานแต่เรารู้สึกว่าให้ลำพังวิปัสสนาก็แม้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราก็ไม่ต้องทําขั้นใดฌานแล้วว่าที่จริงเนี่ยอย่างที่ของเราเนี่ยเราทําได้แค่ไหนเราก็เอามากําหนดแค่นั้นก่อนถ้าต่อไป มันแบบ